นักเรียนชั้นปฐมคนหนึ่งทำข้อสอบวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตข้อสอบนี้มี20ข้อข้อสุดท้ายถามว่าคนทำความสะอาดของโรงเรียนชื่ออะไรนักเรียนตอบไม่ได้ทั้งที่เห็นหน้าอยู่ทุกวันพอนักเรียนส่งกระดาษคำตอบก็ถามครูว่าเนี่ยคำถามจากข้อสุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกับ คะแนนจากคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยจะไปรวมกับคะแนนของข้อสอบทั้งหมดหรือเปล่าครูตอบว่าใช่เดยกก็เลยสงสัยว่าทำไมนะครูก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะสนใจนคนที่ช่วยทำให้โรงเรียนสะอาดเรียบร้อยหรือว่าเป็นไปได้ด้วยดี แม้จะไม่ใช่คนสําคัญไม่ใช่เป็นครูไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ใช่ครูใหญ่อาจจะเป็นคนเล็กคนน้อยในสายตาของนักเรียนแต่คนเหล่านี้ก็สําคัญอันนี้ก็รวมไปถึงพี่เลี้ยงคนครัวแม่ครัวอย่าไปมองข้ามคนเหล่านี้เน้อย่านี่คือว่าเมื่อนักเรียนนะเรียนจบ นะตัวเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเจอกับผู้คนมากมายซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังไม่ใช่เป็นคนที่มีฐานะสูงส่งแต่คนเหล่านี้ก็สำคัญเหมือนกันควรปฏิบัติกับคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ต่างจากคนอื่นนะที่มี สถานะทางสังคมเท่าเทียมกับเราหรือสูงกว่าเรานะ่เพราใครจะไปรู้นะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ชิของเราเนี่ยอ่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้คือมีชีวิตที่ราบรื่นผาสุกแล้วเนี่ยใครจะไปรู้นะคนเหล่านี้อาจจะช่วยเราในยามยากนในยามวิกฤตก็ได้ อ น, นีคงกล้่กับเรื่องนิทานอีสมนเรื่องราชสีกับกับหนูอ่ะนะราชสีเนี่ยมันนึกว่าหนูเนี่ยไม่มีความสำคัญจับหนูได้หนูก็บอกให้ว่าเนี่ยปล่อยฉันเถอเพะพอต่อไปฉันจะช่วยราชสีได้ราชสีหัวเราะแต่ก็สงสารก็เลยปล่อยหนูไปแล้ววันหนึง่ง ราสีเนี่ยถูกถูกจับติดติดบ่วงของพรานราสีนี่ทำยัง ไ, ไงก็ไม่สามารถจะหลุดจาก บ, บ่วงของพรามได้ของของพรามได้ร้องคำรามสนัน่นจนหนูได้ยินนะหนูก็เลยมาแล้วก็ช่วยกัดเชือกกัดบ่วงที่รัดราสี ราศีก็เลยปลอดภัยก็ขาบอกขอบใจหนูใหญ่นะแล้วก็เราลึกได้ว่าเนี่ยตัวเองผิดพลาดมากนะที่เคยคิดว่าไอ้หนูตัวเล็กๆนี่ไม่สําคัญนะเพราะวันนี้ถ้าไม่ได้หนูตัวนี้ช่วยนี่แย่ไปแล้วอั น, นี้มันไม่ใช่การนิทานอย่างเดียวนะในช่วยจริงใครไปรู้นะเราจะประสบเหตุการณ์ทํานองนี้ก็ได้ พี่พี่ยุงคนหนึ่งเนี่ยแกทำงานโรงงานาที่แช่ยเย็นนะเนื้อก็จะแพ็คเนื้อเนี่ยนะส่งขายตามห้างสประสินค้าโรงงานนี้เนี่ยก็มีห้องห้องเย็นที่แช่เนื้ อ, อไว้เตรียมแพ็ค ส่งขายแลเธอก็ไปตรวจนะสภาพของห้องเย็นนี้เป็นประจําแต่วันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขาไปตรวจเนี่ยประตูนเนี่ยมันเกิดล็อกขึ้นมาคือคงเกิดความผิดพลาดเพราะช่วงนั้นมันมีนมไฟดับใช่ไหมระบบล็อกเนี่ยมันก็เลยพอไฟฟื้นขึ้นมากลับมา ล, บล็อกมีปัญหา ใน ห, ห้องเย็นเนี่ยมันเปิดจากข้างในไม่ได้มันต้องอาศัยข้างนอกเปิดจากข้างนอกแล้วเธอก็บังเอิญไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยแล้วตอนเข้าไปข้างในก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกเพื่อนร่วมงานก็แปลว่าเธอต้องติดอยู่ในนั้นและอาจจะติดทั้งคืนเลยเพราะว่ากว่าจะมีคนมาเปิด ก็ต้องเป็นวัดรุ่งขึ้นคนที่ไม่ได้มีเสื้อหนาวอะไรมาเลยนะแล้วก็ติดอยู่ในห้องเย็นที่หนาวเย็นเนี่ยแค่อยู่ 4-5 หชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วถ้าติดอยู่ น, นั้นข้ามคืนนี่มีโอกาสตายได้เธอก็พยายามนะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คนข้างนอกไม่ได้ยินเพราะ ตู้เหล็กเนี่ยอห้องเย็นนี่มันตู้มันแน่นหนามากผ่านไปหลายชั่วโมงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็แยกลงไปเรื่อยๆแล้วสองทุ่มสามทุ่มนี่ตัวสั่นเลยนะนักขี่บัตเนี่ยคงไม่สามารถจะอยู่จนข้ามคืนนี้ไปได้แต่ปรากฏว่าจูจูเนี่ยประตูห้องเย็นมันก็เปิด คนที่เปิดเนี่ยก็คือยามเฝ้าประตูโรงงานว่าเธอดีใจมากเลยนะรอดตายกอดยามคนนี้นะด้วยความขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากเป็นว่าเธอรอดตายแต่เธอก็สงสัยนะว่าทำไมยามเนี่ยจึงมาเปิดประตูเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของยามเลย ยามก็เลยบอกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยทุกเชา้าทุกเย็นเนี่ยคุณก็จะทักทายผมเป็นประจำเวลามาทำงานก็ทักทายผมเวลาจะเลิกงานก็ทักทายผมไม่มีใครเลยนะที่ทำอย่างนี้กับผมนอกจากคุณนะเราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วจนทั้งวันนี้เนี่ยผมเห็นคุณมาทักทายตอนเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ย ไม่เห็นคุณมาทักทายเลยผมก็เดาว่าเนี่ยคุณก็คงยังอยู่ในนี้แหละเพราะถ้าคุณกลับบ้านเนี่ยคุณก็ต้องทักทายผมละผมก็คิดว่าเนี่ยคุณก็คงอยู่ในนี้แหละก็เลยพยายามตามหาเพราะว่าปกติคุณเนี่ยกลับบ้านเป็นเวลาแต่นี่หงบนงเย็นทุ่มนึ่งก็ยังไม่เห็นคุณเลยผมก็เลยเริ่มตามหาเลยตามไปทุกมุมทุกตึกเลยนะ จนกระทั่งมาถึงห้องเย็นนี่แหละผมก็สงสัยว่าเนี่ยคุณอา จ, จะอยู่นั่นข้างในก็ได้ก็เลยเปิดประตูห้องเย็นแล้วก็จริงด้วยนะก็กลายเป็นว่าเนี่ยพนัก ง, งานคนนี้เนี่ยเนี่ยรอดตายเพราะยามที่รักษายามที่ฝ้าประตูและที่รอดตายเพราะว่าเธอเนี่ยใส่ใจกับยามคนนี้นะทุกวันเนี่ยทักทายเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น คนอื่นไม่สนใจนะเพราะอาจจะเห็นว่าเป็นคนแก่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสำคัญแต่ว่าเธอเห็นความสำคัญของคนทุกคนจะเป็นยามจะเป็นพนัก ง, งานทงความสะอาดเธอก็ทักทายและการที่เธอทักทายเธอใส่ใจอย่างวันนี้เนี่ยมันไม่สูญเปล่าเลยนะสุดท้ายเนี่ยมันมากลับมาช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้เพราะนั้นเนี่ยนะ การที่คนเราเนี่ยให้ความใส่ใจนะกับคนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะมันไม่ใช่ดีต่อเราอย่างเดียวมันดีต่อเขาด้วยนะอย่างที่เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เขาถือคาถาว่าโนแคร์โนสนฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใครไอการไม่แคร์ไม่สนเนี่ยแม้จะทำเพราะหวังประโยชน์ตัวแต่ท้ายแล้วเนี่ยนะ มันก็ทําให้ปิดโอกาสในการที่คนอื่นเนี่ยจะมายื่นมือช่วยเหลือเราในยามที่เราลําบากเพราะเราไม่แคร์ไม่สนใครเขาก็ไม่สนเราเหมือนกันเพียงวันนี้นถ้าแกไม่สนไม่แคร์ยามเฝ้าประตูเนี่ยวันนั้นเธอคองตายไปแล้วเพราะว่ายามมันคงไม่สนเธอเหมือนกันนะแต่ยามนี่ประทับใจเธอมากเพราะเธอเป็นคนที่สนเธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของเขาแม้เขาจะเป็นแค่พนักงานพูนน้อย อันนี้ก็เลยเป็นบทเรียนชีวิตนะที่มันเหมาะกับนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้นะวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเนะี่ยมันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะที่มองข้ามไม่ได้